ในทิศหกนีผู้มีบุญคุณบังเอิญมีบุญคุณในฐานะอะไรก็ใส่ไว้ทางทิศนั้นได้มีบุญคุณในฐานาะ ท, า ท, นนนานาที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเนี่นะฮะมีบุญคุณประดุจพ่อประดุจแม่หรือผู้บวชก็อุปชาอาจารย์อุปชาถือว่าเป็นพ่อในทางการบวชของตัวหรือว่าแม้แต่บางคนมีฐานะเป็นครูบาอาจารย์จ ะ, จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้ได้บรรลุธรรมชั้นสูงเขาก็ยกไว้ในฐานะที่เป็นพ่อ นะครับเหมือนอย่างพระหรือ อ, อผู้ได้ธรรมะสูงๆเนี่ยเขาจะนึกถึงยิปลานลบถึงอาจารย์เหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเขาว่าคนนี้เหมือนเป็นพ่อคนที่สองของเขาเวลาแผ่บุญให้พ่อแม่แล้วเขาจะแผ่ให้กับคนนี้ก่อนคู่กันมาเลยอย่างเช่นท่านโกเรนกด้เนี่ยนะท่านก็จะเป็นแขกแต่ว่าได้อาจารย์เป็นชาวพมาาคือท่านอูบาคิน ไปไหนก็จะติดรูปไปเถอะคือย่งบองก็บินอย่างนี้นะในห้องรับแขกก็มีรูปท่านอุบาสกิรติดแล้วก็ปราพูดในถาถึงในฐานะที่เป็นพ่อของท่านที่ทําให้ท่านได้ชีวิตใหม่ในธรรมานีถ้าเป็นพระสายท่านอาจารย์มั่นอก็นับถือาอาจารย์มั่นเหมือนเป็นพอ่อในทางธรรมะเวลาแป่บุญแปรแล้วก็จะแปรให้อย่างนี้ นี่เราถ้าคนไหนมีบุญคุณในซีกอาจารย์นะเหมือนเป็นอาจารย์ท า, า, างด้านนี้นะเช่น mm. จะส่งให้เราเรียนหรือซื้อตเราตำราอะไรให้กระแต่นั่นนะคร mm. ับเราก็แ่ให้ท้งนี้ท <c oughs> <c oughs> ีนี้ก็มีคนมาถามถ้าคนยังไม่มีภรรยามีแต่แฟน หรือยังไม่มีเฟนเอาะทํง ไ, ไงใหน้เราเสนอความคิดหน่อยที่ท้องไงในงานแล้ว อ, อย่างอย่า ง, งคิดไม่ครบถึกอ่าคือถ้าคนมีคู่รักก็แผรให้คู่รักสงคเคราะห์เอาหรือคนที่ยังไม่มี แต่ว่าคนที่ควรจะเป็นหรืออาจจะเคยเป็นอะไรมาแต่ปางก่อนนี่ยนะเราก็แฝส่งเราะห์อับเรียว่าแฝงครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องหลังเออแล้วทางทิศเบื้องขวาไอ้เพื่อนเบื้อซ้ายล่ะเพื่อนญาติมิตรอยู่ทางทิศเบื้องซ้ายเพื่อนผู้ญาติมิตรอยู่ทางนี้หมด ทั้ิศเบื้องล่างบ่าวใกล้หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับปัญญาถ้าเราเป็นวัวหน้าเนี่ยก็ถือท่านเรานี้อยู่ในทิศเบื้องล่างอาจจะเราคงพูดกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างในฐานะเบื้องล่างเนี่ยแมย่ไม่ค่อนข้างจะไม่ให้เกียดนะแต่ว่าจริงๆก็ท่านก็ตรงก็โดยอาการเปรียบเทียบเหมือนอย่างนั้นในทิศเบื้องบน มณนะขีพรคือคนที่เราเคารพสูงสุดเคารพในฐามนะเป็นสถานะยางแพร่พระพุทธเจ้า น, นะก็เป็นสมณะขีพระหรือแพร่ให้กับประสงค์องค์พระเจ้าที่เราเคารพนับถือก็อยู่ในคิดเบื้องบนอันนี้ก็เป็นการแพร่โดยคิดที่เกี่ยวกับสภาพชีวิตหรือสภาพสังคมของแต่ละคน แต่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดถึงการแผ่ในทิศที่เป็นเทสะใช่ไหมว่าแผ่ในทิศก็ทิศท้งหกเนี่ยทิศคือทิศทางหกก็มีทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกอันนั้นก็เลยทิศโดยเทสะหรือเอาจะเอาทิศโดยเทสาที่เอาทิศข้างหน้าแต่ว่าไม่ใช่ในแง่ของมังกรเราตั่งหันหน้าไปทางไหนก็แผ่เป็นทิศเบื้องหน้าก็ได้ทิศเบื้องเบื้องหน้าทิศเบื้องเขียง แล้วก็ส่งเมตตาจิตไปในลักษณะที่ใครที่อยู่ในจิตเบื้องหนา้าอันนี้เป็นการแผ่โดยไม่ไม่ระบุตัวบุคคลชัดเจนเรานั่งอยู่ตรงไหนเนี่ยใครที่อยู่ในจิตเบื้องหนา้าเริ่มตั้งแต่ตัวเราเป็นผู้นั่งอยู่ตรงกลางเอ่เราก็แผ่ให้กับตัวเราเองก่อนอธิษฐานให้กับตัวเราเองก่อนทาความปรารถนาให้พรกับตัวเราเองก่อน ให้จิตใจเราเป็นสุขให้จิตใจเราอสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นได้เข้าใจความต้องการเขาอื่นได้แล้วก็เลื่อนจิตไปยังคิดเบื้องหน้าตั้งแต่ใกล้ๆหน้าตักเราไปเลื่อยไปจนกระทั่งถึงไกลโพ้นไม่มีที่สิ้นสุดว่ามีเหล่าสัตว์ที่ถือกําเนิด อยู่ในสติใดก็ตามอยู่ในเพศใดก็ตามเป็นใครอย่างไรก็ตามที่อยู่ในจิตเบื้องหน้าเนี่ยกระแสะจิตเราเคลื่อนไปถึงตรงไหนในจิตเบื้องหน้าขอให้สัตว์ที่อยู่ในอนาบริเวณนั้นตรงจุดนั้นตำแหน่งนั้นอย่าเป็นใครมากน้อยแค่ไหนก็ตามจงได้รับเมตตาจิตของเราจงได้รับความปรารถนาดีของจากเรา สิ่งที่เราได้ปรารถนาให้แก่ตัวเองแล้วอย่างไรขอให้เขาได้รับอย่างนั้นที่เขาต้องการอย่างไรจําเป็นอย่างไรขอให้เขาได้รับอย่างนั้นสิ่งที่าบัณฑิตผู้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าชีวิตควรเป็นอย่างไรควรได้อะไรขอให้เขาเหล่านั้นจงได้อย่างนั้นนะอันนี้ให้สังเกตว่าเวลาเราเราเกิด่จิดไปเนี่ยถ้าจิตเรา รู้สึกว่ามัน เ, เป็นเปลี่ยนไปได้วยความปรารถนาดีก็ส่งไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าส่งไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าขาดเดจตจํานงขาดความปรารถนาที่ชัดเดจนในใจเราก็เติมพรลงไปว่าขอให้เขาได้อย่างนี้ขอให้ได้อย่างนี้ก็ถ้าแผลไปเฉยๆแต่ความรู้สึกในบางทีเจตจํานงในใจมันหายคือพรหายเหลือแต่ความเคลื่อนไปของจิตต้องคอยเติมพรเข้าไปเรือยเป็นระยะระยะ ให้พอเหมาะพอดีกับความเคลื่อนไปของจิตให้เรารู้ว่าจิตเราเคลื่อนไปอย่างเป็นเปี่ยมอยู่ด้วยความปราถนาดีอย่างมีความชัดเจนอยู่ในสํานึกเป็นอนนันได้ออย่างเงี้ยเราเราก็แผลอย่างนี้ย น, นี่ถ้าแผลแผลไปทางคิดเบื้องหลังคิดเบื้องเขียงนี่ก็เหมือนกันแล้วก็แผลไปทิ่เบืองโดยรอบก็คือเริ่มจากตัวเราแล้วก็อส่งจิตไปโดยรอบโดยรอบรอบรอบรอบรอบ ถ้ายังง่ายก็คือเพียงแต่ให้เรารู้ว่าจิตเราความคิดเราได้เหมือนเคลื่อนที่ไปส่งไปโดยรอบทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยเวลาที่เราจะเอาไปแผ่แบบใช้พลังเราก็จะเลือกหยิบเลยว่าเมื่อไหร่เราจะแผ่แบบไหนคือเป็นการพลิกแปงได้โดยไม่ต้องติดรูปแบบแต่เวลาแต ส, สร้างพลังตั้งแต่แบบอาศัยรูปแบบเพื่อให้จิตมันมีขอบเขต มีทิศทางของการไปสมดว่าเราจะเดินฝ่าที่รุกเข้าไปที่ใดที่หนึง่งในเวลาค่าคืนเร่อที่ผมก็ยกตัวยอย่างว่าเวลาผมเข้าบ้านตอนกลางคืนดึกๆแล้วก็ยามขึ้นลูกสูงที่ที่ตะลิงกันเนี้ย่ยแล้วมันเป็นโดงงูเหาแล้วเรา ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันเราก็ใช้จนเป็นนิสัยว่าเมื่อเราจะเดินเข้าไปเราจะก่อนจะข้ามสะพานเข้าไปสู่ทางเข้าจะต้องยืนสงบผิดส่งเมตตาไปยังทิศเบื้องหน้าเห็นภาพทางที่เรากําลังจะเดินไปทางหนตั้งไหนแล้วเราก็จะแผ่ให้กับ ตรนนี้เราไม่แผลให้อให้แม่ไม่แผลให้กับเจ้าบุญในคุณอะไเป็นหลักอะ่ะแผลให้กับเข้าความในเวรเหมือนไม่รับความในเวรนะมีดานาเป็นไงให้กับพวกหมู่สัตวร้ายที่อาจจะซุ่มอยู่ตามโพงยากนึกถึงภาพเขาเหล่านั้นแล้วก็แผลให้ยกมือให้เมตตาสะท้อนไปจากฝ่ามือเราแล้วก็ เมตตาไปที่ฝ่าเท้าว่าเท้าเราเนี่ยที่เหยียบย่างไปเนี่ยเหยียบย่างไปด้วยพลังเมตตาข อ, อย้ายไปเหยียบเท้าเรากอย่าได้ไปเหยียบสระตายเพรเท้าเราแล้วก็ถ้าจะไปเหยียบองค์หางงงค์หา ง, งหูงงบ้างก็อย่าได้ถือสาไม่ได้เหยียบไปเจตนาพุทธรา ย, ยานี่นะเราก็เดินไปแล้วก็แผลบางทีกั้นใจนะหลับตาเดินแผล มันก็พือพอแฝงใจมันเกิดความมั่นใจธรรมะนี่ก็แปลกดีนะมันก็เหมือนประมาทนะแต่ว่านี่เราก็บอกเราไม่ได้ประมาทเราใช้วิธีการสแสดงความไม่ประมาทด้วยธรรมะไม่ใช้อาวุธเป็นเครื่องสแสดงความไม่ประมาทมันก็ไม่เกิดอันตรายเลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเดินออกมาตอนเที่ยงเที่ยงพอดีนะ มันมีงูตัวหนึ่งมันมาพาดทางอย่างเงี้ยมันมาพาดไอ้ทางเดินวัอะไรผมก็ไมันรู้มันอ้าปากบออยเงี้ยเรามีเมตตาก็จริงแต่เราก็ไม่กล้าข้ามเดีาะ น, นีจะเป็นการดูถูกไม่กล้าแก้ตัวแบบนาาคุณคุณอือเราก็ ถ้าเ็คนอื่นเขตีตายไปแล้ผมก็ไม่ทราบทำไมมาอ้าปากใครเป็นใครเรียนดังทางเรื่องศัตรูมาบ้างมาอ้าปากมาอ้าเงี้ยเหมือนเจ้ละเท่อไอเราเห็นเข้าเราก็นึกถึงเรื่องเทพสันดอนยาดกตอนที่มีเสือลายพาดซอนมาขวางทางที่นางมัดสีจะหาผลไมาล่าไม้จะกลับไปที่อาสมนะอันนั้นเขาก็มีแผนไอนี้เราก็ไม่รู้เรามันก็ไม่รู้มีอะไรเลย เอ้ก็ทาไงดีผมก็ไปหยิบไอ้กิ่งไม้อันหนึ่งไม่ได้มะตีมาทำท่าเขย่าขย่าเขย่าเอ้เขาเขาเฉยเหี้งนั่นอ่ะก็เลยไอ้จะกระโดดข้ามไปก็น่าเกลียดนะน่าเกลียดหรออย่างเราทํางั้นได้ไงก็เลยต้องนั่งจุ่มปุ๊กอย่นี้เสียงลายเจ้าน่ะ ก็นั่งบอกอานก็ไปเออไปเถอะมานั่งอยู่ทำไมเนี่ยดีนะที่ดีฉันเห็นแต่เวลาผมพูดภาษาของเรนดีนะที่ใครเห็นใช้ภาษานักนเลยนะดีนะที่ใครเห็นคนอื่นเห็นเองตายแน่เห็นตายไหมไปไปเถอะนะจะรีบไปจะรีบไปทํางานสัปพักเขาค่อยๆเบนหัวกลับและเรื่อยหายไปแล้วก็ไปได้ ไม่รู้วัวอะไรก็รไม่ไม่รู้จักอ่าอันนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องแผ่โดยพิษอ่าให้ท่านรับทราบไว้เพราะว่าอีกหน่อยเวลาเราใช้พลังเราจะได้เลือกใจว่าตอนไหนจะแผ่โดยอะไรเวลาไปแก้ปัญหาด้วยการทำาะไรต่างๆเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งคือ การแผ่โดยจำแนกการแผ่โดยจำแนกอันนี้ในวิสุทธิมรรคพูดไว้โดยจำแนกคือจำแนกเป็นคร่าวๆเช่นถ้าแผ่ไปว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมด แผรแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไปแผลคลุกการแผลทิศแผลอะไรก็ได้แต่ว่าในวิสิติมัคทั้งบอกให้นั่งนึกถึงไม่ต้องเคลื่อนจิตไปนึกถึงว่าผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดบุรุษทั้งหมดอิตีทั้งหมดเนี่ยนะจงได้รับเมตตาจากข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรเพื่อละกันเลยคือจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผมอยากใหให้แผลอย่างเป็นสาระทางความรู้สึกถึงจะมีบาลังเอาสาระในความรู้สึกออก แล้วเมื่อแฝาผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยเราก็นึกถึงสภาพเพศชายเพศหญิงเอถ้าเราไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งอาจาจะจำแนกแน่เป็นเพศชายเพศหญิงเ่าเสมอไปอยู่ในที่ประชุมอยู่ในที่ทํางานน่ก็นึกถึงอย่างนี้ได้แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายในที่อื่นทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นผู้ไม่ใช่มนุษย์แฝงไปให้ผู้ที่เป็นนักบุญคือบรรพชิต และผู้ไม่ใช่บรรพชิตทั้งหมด น, นักบวชก็ไม่ใช่นักบวชรวมบัดโดยแยกเป็นสองประการนี้อย่างหยาบๆแล้วก็แผ่ไปให้กับผู้ที่เป็นปุถุชนกับเป็นอริยะปุถุชนก็คือคนที่ยังมีกิเลสอยู่ทั่วไปพระอริยะก็คือว่าอริยะนี่จะเป็นนักบวชก็ไม่ใช่นักบวชก็เป็นอริยะได้นะฮะอ่ที่ไหนเราก็ไม่รู้ก็ช่างเถอะ แผ่ไปให้ทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่มีลมหายใจและไม่มีลมหายใจลมหายใจก็คืออย่างเราก็มีมีลมหายใจไม่มีลมหายใจก็ที่พวกที่ไม่มีลมหายใจอย่างนั้นก็เป็นอีกานันนึเ่เราสามารถที่จะเติม ลักษณะการจะแนกได้เป็นอีกหลายหลยอย่างไม่จํากัดเช่นหวผู้ที่เป็นญาติกับเราผู้ที่ไม่ได้เป็นญาติกับเราผู้ที่รู้จักผู้ที่ไม่รู้จักอีกแย่ได้หรือว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับเราผู้ที่มิได้นับถือศาสนาเดียวกับเรา ผู้ที่มีเชื้อชาติเดียวกับเราเชื้อชาติสันชาติเดียวกับเราผู้ที่มิได้มีเชื้อชาติน่ได้มีสันชาติเดียวกับเราออย่างนี้เป็นต้นนะครับแผ่ไปได้หมดแต่ก็ไม่ต้องคํานึงว่าจะต้องจําแนกโดยพิจารณหมดแต่นี้ถ้าจะทําอย่างนี้อย่างเป็นกิจจลักษณะคือเป็นคขึ้งชั่โมงข้อนิโมงเนี่ยแล้วถ้าทําบ่อยๆก็กมีทางพิจารณาอ่า แม่แฝงผู้ที่เป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็แฝ่ได้คนที่เป็นคนดีคนที่เป็นคนไม่ดีคใดทั้งนั้นเลยครับให้เํามเติมเข้าไปนั่นก็เป็นอีกในหนึ่งของการแฝงทีนี้อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าแฝ่โดยโดย พันธะในใจหรือโดยทัศนคติได้แก่คนที่รักที่เรารักเขาคนที่เขารักเราหรือเรารักเขาข้างเดียวหรือเขารักเราข้างเดียวก็แล้วแต่รักทุกอย่างทุกแบบแหละแล้วก็คนที่เกลียดกันเราเกลียดเขาเขาเกลียดเราหรือเขาเกลียดเราหรือเราเกลียดเขาคนที่เป็นกลาง เป็นกลางเนี่ยจะโดยรู้จักกันแล้เฉยๆหรือเรารู้จักเขาข้างเดียวเขารู้จักเราข้างเดียวหรือไม่รู้จักกันหรือว่าคนที่ไม่รู้จักกันนั้นจะเยอะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นกลางนี่ในสามคนเนี่ยว่าจริงๆลาดับของการแผ่แล้วเนี่ยท่านจะแผให้คนที่รักก่อนแล้วคนที่เฉยเป็นที่สองคนที่เปลี่ยนจะเป็นที่สามและมักจะสอบตกกับคนที่เปลี่ยน คือบางทีไอ้เราเกลียดเขาเขาเกลียดเราเนี่ยตัวดีไอ้เราเกลียดเขาก็ mm. ก็ยังชั่วหน่อยนะนึกถึงความดีเขาก็พอได้ไอ้เขาเกลียดเราก็อาจจะยากกว่าพอรู้เขาเกลียดแล้วก็อดจะเกลียดไม่ได้หรือไม่เกลียดก็จะอวยชัยให้อนก็ลําบากเพระวิธีที่แผ้กับคนที่เกลียดเราหรือเกลียดกันเนี่ยบางทีต้องรู้จักจุดตั้งต้น อะไรจะไปตั้งตนโอ้ขอให้เขาในจงร่ํารวยร่ํารวยขอให้เขาได้สองขัน้นเราไม่เป็นไรมันก็แผ่ไม่ออกในจุดที่จะเริ่มต้นเนี่ยผมมักจะใช้วิธีการให้สิ่งที่เป็นจริยธรรมนะฮะวกขอให้เขาเนี่ยได้สํานึกที่เป็นจริยธรรมนะสํานึกที่เป็นจริยธรรมเช่นเขากระตันยูเขาอากรตันยู เ, นยเมื่ออากรตันยูต่อเรา เลยเป็นที่เกียดกันเป็นต้นเหตุการเกลียดกันก็ให้เขาเกิดความกระทันหอยู่ได้เข้าใจสิ่งนี้ได้เกิดความกรทันหอยู่แล้วขอให้ความที่เขาได้สำเร็จได้ความกรันหอยู่เนี่ยหรือได้เกิดเมตตาต่อกันเมตตาต่อเราได้เข้าใจเรายังถูกต้องขอให้อานิสงส์ของสิ่งนี้จงทําให้เขาได้รับความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปก็เมตตาก็จะอาศัยเกิดได้ตรงจุดนี้เพราะว่าคนที่เกียดเราเราเนี่ย แือเตยกันเนี่ยเราก็อยากมันจะมีจุดที่เราไม่อยากให้เขาเป็นที่มันใกล้กับผลประโยชน์ของเรานะครับตรงนั้นก็เมตตาจะเกิดได้ผมพูดไปพูดมาถ้าจนกระทั่งว่าจะลืมไปว่าเราต้องฝึกเป็นนั้นว่าผมสรุปเป็นข้อตัวนี้ก่อนนะและจะฝึกในเวลาที่เหลืออยู่คื อ, อที่พูดถึงและจะฝึกในวันนี้คือ เป็นการฝึกสร้างเมตตาให้เกิดสร้างความรู้สึกให้เกิดด้วยวิธีการหลายหลากมากอย่างดังได้กล่าวมาการฝึกอย่างนี้สิ่งที่เราได้ก็คือได้บุญที่ว่าเมื่อกี้นะฮะได้บุญแน่แล้วก็ได้อานิสงส์พิเศษแม้ไม่ใช้พลังว่าอย่างไรก็จะได้อนิสงส์พิเศษของเมตตาเป็นเป็นอนิสงส์ในทางสังคมและอนิสงส์อย่างอื่นก็จะตามมาได้โดยง่ายเพราะว่าไอ้พัฒนคติ หรือความรู้สึกต่อจากคนในสังคมเนี่ยเป็นตัวการสำคัญที่ทําให้เราได้อย่างอื่นประสบความสาเร็จอย่างอื่นทีนีน้การที่จาแผ่เมตตาให้เกิดพลังเนี่ยจะต้องจิตสงบนะจิตจะต้องสงบจะเกิดพลังแล้วก็สงบแล้วต้องมีความสุขในขพอความสงบนะเมตตาจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ถ้าเมาใดทาแล้วเราไม่สงบและไม่เป็นสุขเนี่ยเมตตาจะเกิดขึ้นได้น้อยแล้วก็เป็นที่รู้กันด้วยว่าพลังเมตตาจะเกิดขึ้นต่อผู้อื่นเนี่ยต้องมาจากรากฐานคือความนิ่งและความสุขกายสุขใจของคนแผ่ในขณะนั้นบางคนถึงรู้ว่าถ้าจะแผ่ให้คนได้เกิดพลังเนี่ย ถ้าตัวเราเองยังหงุดหงหิดยังฝืนฝืนอยู่นะฮะยังกระับกระต่ายอยู่อย่าแพ้เพราะว่าไอ้สิ่งนี้จะติดไปถึงคนแพ้อันนี้เป็นที่รู้กันเลยนะแล้วเป็นอย่างนั้นด้วยครับต้องชำระตัวเองให้ดีเพราะฉนั้นบางแข่งเนี่ยเขาถึงว่าต้องฝึกจิตให้ได้ที่ถึงจะไปแพ้ในตาละอย่าไปไปแผ่ตอนที่เราไม่พร้อมความกระตับกระส่ายมันจะไปถึงคนนั้นแต่ถ้าเป็นการฝึกสร้างพลังเนี่ย ทำเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราไม่ต้องการจะใช้พลังถ้าใช้พลังตรองนิ่งแต่ถ้าจะสร้างพลังเนี่ยเมื่อไหร่ก็ควรสร้าคือไอพ่อเรากระสประสายเนี้ยเราถึงต้องสร้างพลังเมตตาให้เกิดต้องต้องแยกตัวนี้ออกคือไม่ไม่ได้แผ่ให้แต่ว่าแผ่เพื่อก่อให้เกิดความนิ่งความสงบแก่ตัวเอง แล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายก็คือว่าพรที่เราให้หรือความาวัตถุประสงค์ที่เราให้อารมณ์ของเมตตาที่เราจะจ่ายให้เนี่ยมันจะมอีอยู่สองอย่างคือหนึ่งสิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาอยากได้ให้รู้ว่าถ้าเขาอยากได้อะไรก็มีปัญหาอะไรไอ้ดูนี้เวลาจะ จะแผ่ให้ใครเนี่ยเราเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาต้องอมีความจะเป็นอะไรเนี่ยนะจะเป็นเป็นประโยชน์แก่การส่งพลังให้มากาแล้วก็ส่งให้ครับด้วยความรับตัวนั้นเนี่ยสมมติว่าเร า, เ อ, าอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีมีคนหนึ่งเขา ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาฟังธรรมะเรืานานมากเอ่อตั้งครึ่งปีปกติเขาก็าาจะมานะฮะแล้วก็เราก็ลักใคร่กันนะคือหมายถึงที่เมื่อวานเนี่ยแล้วก็อยู่ๆวันวันเมื่อวานเขาเขามามาแล้วก็ผมก็เห็นนะเออเขาสองคนคดีเพราะผมรู้ที่เขาไม่มามีปัญหา ปัญหาระหว่างในครอบครัวเขาไม่ไม่ใส่เขาพูดไงเขาทะเลาะกขาไม่พูดกันานานอยู่ประเทศทางที่ขับรถแท็กซี่มาแท็กซีเกกกซ่เยอรมันด้วยจากแท็กซี่เยอรมันแต่แฝกไม่มีความสุขแท็กซี่เยอรมัน่เราก็เลยแดดใส่ลูกเราเห็นล่างลูกเขามอกโอเมื่อวันนี้เขารับอาสาอย่าไปส่งไปนะปะน้านายอย่ไปได้จังหวัด เห็นเขาคุยกันดีแล้วผมก็รู้ว่าผมเนี่ยไปเข้ายี่สิบวันเนี่ยผมแผลไม่ตายเขามากด้วยความรักไข้ก็ขอให้เขาเข้าใจกันขอให้เขาไม่มีปัญหนานะไม่ได้ถามแต่ชื่อว่าเขาคงจะดีขึ้นแล้วเขาก็มุสามาโกงกูจอบริการเนี่ยก็ค่าคงจะค่าตอบแทนโดยไม่รู้ตัวที่เราแผลจิตนะครับแผ่ไม่ตายเขาคมขึ้นกัน ให้เขารู้เรื่องกันให้เขาพูดคุยกันเนี่ยถ้าเขาฟังเทศตัวนี้เขาต้องรู้เลยว่าหมายถึงคำเอาไปรู้ก็รู้ไป <c oughs> อันนี้ครับมันเป็นเรื่องที่คือไอเราเมื่าเราเองครับเราไม่ไม่ได้จําเป็นในเรื่องนี้เมื่อเราไม่ได้ไปทะเลาะกับคนในบ้านเราเนี่นะ ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ไมจําเป็นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาแต่พอเรารู้เนี่ยเราก็เข้าใจเราก็แผนัในมันทั้งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะได้ความสําเร็จแต่เพาเราไม่มีปัญหาแต่มันเรื่องของเขาเราปรารถนาดีเขาเราก็อยากให้เขาคลนปัญหานี่คือเริ่มจากสิ่งที่เขาต้องการจากปัญหาของเขาจากความต้องการของเขาอีกอันหนึ่งคือเิเป็นความต้องการของเรา ความจริงเขาก็ควรต้องการแต่บางทีเขาไม่รู้ไงครับไม่รู้ว่าชีวิตเขาในเขาควรได้อะไรเขาควรต้องการอะไรเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเป็นฝ่ายให้เมตตาเขาทีนี้ไอ้วิธีที่จะทําให้เขาได้ให้ให้เขาได้เนี่ยบางทีก็ใได้จริงๆเนี่ยนะต้องดูรายละเอียดเอาไว้ค่อยว่ากันอีกทีนึ่งว่าเราจะให้เขามาทางนี้ให้เขาทาสิ่งนี้ อย่างนี้เราต้องมากัดจายอย่าไปเอาไอ้ผลสมบูรณ์แล้วมันก็ไบางทีมันก็อาจจะไม่ได้แล้วอาจจะท้อใจว่าเออเราแผ่เมตตาให้เขาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นต้องกระจายแล้วก็มาเริ่มจากไอ้สิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนสิ่งที่เป็นตัวเหตุของของเหตุแล้วก็เหตุนั่นก็จะไปทําให้เกิดผลที่หลังต่อไป อันนี้ก็เป็นเป็นข้อสรุปน ะ, ะเอาละเราจะฝึกแผ่เมตตาฝึกสร้างเมตตาในแบบใดแบบหนึง่งในบัดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นั่งในท่าที่เป็นที่สะดวกสบายของท่านใครต้องการจะนั่งพับขาคู่บาลังนั่งคัดสมาดก็ได้จะนั่งห้อยเท้าก็ได้ แล้วก็โปรดทำความเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคได้กลัาแล้วว่าคนที่บริจาคผ่านทำบุญเช้าร้อยหม้อกลางวันร้อยหม้อเย็นร้อยหม้ออานิสงยังน้อยกว่าบุคคลแผ่เมตตาชั่วการหยดของน้ำนมจากเต้านมโคมีอานิสงมากกว่า มีอโนภาพมากกว่าคนแผลเมตตาชั่วการเดี๋ยวเดียวนี้ถ้าเป็นเมตตาที่สมบูรณ์รพอสมควรหรือสมบูรณ์จริงๆเนี่ยมนุษย์หรืออามนุษย์ทำลายไม่ได้บุคคลใดจะทำลายบุคคลผู้ที่มีเมตตาจริงๆชั่วการคู่เดียวนี้ย่อมถึงความลำบากเหมือนกับบุรุษ ผู้มีกำลังจะหักด้ามมีดหักดาบที่มีความคมอยู่สองด้าด้วยฝ่ามือเปล่ า, ลาย่อมอถึงความเหนื่อยยากถึงความละบากดังนั้นเมื่อเราสงบจิตนิ่งแล้วก็ทำจิตให้เมตตาเนีเราเป็นคนที่ไม่มีไม่มีเวงกระใสในขณะจิตอย่างนี้ เป็นคนที่ทุกคนควรจะต้องรักแม้ว่าจะเป็นชั่วครู่เดียวก็ตามเป็นบุญสูงอย่างหนึ่งเป็นเมตตามโนกรรมที่เป็นมโนกรรมสำเร็จด้วยจิตตภาวนาเป็นภาวนาใหม่ขั้นสูงเมื่อหลับตาแล้วขอให้ท่านแผ่เมตตาให้กับตัวทนเองให้พรแก่ตัวท่านเอง พื้ีฐานปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนที่กําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองที่เป็นเรื่องที่เห็นชัดที่สุดก่อนเร่งด่วนที่สุดก่อนโดยนึกถึงปัญหาของตัวท่านและเหตุการณ์ บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นขอให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองว่าด้วยอำนาจแห่งจิตสภาวนาที่ถึงพร้อมด้วยเมตตาจิตขนาดนี้ด้วยอำนาจบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ที่เป็นบุญที่ทำก่อนหน้านี้ไม่นานและบุญอื่นๆที่ทำทั้งหมดโดยเฉพาะบุญที่เป็นอาจิตด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์หรือความสุดกริกที่ท่านมีอยู่ มีอยู่ต่อปัญหานั้นท่านไม่ใช่เป็นผู้ผิดเองไม่ใช่เป็นผู้ทุจริตโดย ก, การใดๆที่ท่านรู้ในความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่คนอื่นเข้าใจผิดหรือมีเจตนาร้ายก็ตามหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือเนื่องเพราะบุพกรรมเก่าก็ตามขอให้ พระเจ้าจงพ้นจากภัยพิบัติข้อขัดข้องในเรื่องนี้ในสิ่งนี้ถ้าข้าพระเจ้าได้กระทำผิดด้วยความประมาทด้วยความโง่หลงในขณะนั้นซึ่งบัดนี้ข้าพระเจ้ารู้แล้ว ข้าพเจ้าขอเอาหัวสิ่ต่อผู้นั้นที่ข้าพเจ้าได้กระทำต่อเขาโดยตรงหรือโดยออบหรือผู้ที่ได้รับผลเสียหายสืบเนื่องสืบต่อกันไปแม่เหล่าข้าพเจ้าขอเอาหัวสิ่และขออย่าได้เป็นเวรแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำ น, นาจทางการสำนึกด้วยจิตเป็นกุศลนี้ขอให้พระพเจ้ า, าจงพ้นจากภัยพิบัติขัดข้องนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานในบางท่านหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ครอบทัวหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมหรือที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางความคิดจิตใจหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่ข้าพเจ้ารู้อยู่ล้ำลึกถึงอยู่ปลาลบอยู่ เป็นเรื่องสำคัญขอให้พ้นจากปัญหานี้โดยเร็วหากยังไม่พ้นไปโดยเร็วก็ขอให้ทุเราเบาบ า, บางไปหากยังไม่ทุเราเบาบ า, บางไปก็ขอให้ข้าพเจ้าแค้นทื่นยอมรับผลสภาพ อยู่เหนือความบิบคั้นของปัญหาเหล่านั้นได้ในบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากปัญหานั้นโดยเร็วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพยายดาทั้งหลายผู้มีอุปการะเพื่อกูลขาา้าพเจ้ามาแต่ดี จงช่วยบำบัดปัดเป่าส่งเสริมข้าพเจ้าให้มีพลังพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ขอให้ความทุกข์ความเดือดร้อนจงพ้นไปจากสรีละของข้าพเจ้าตั้งแต่ศีรษะหรดปลายเท้าสูญสลายหายไป โดยสิ้นเชิงโดยเบ็ดขาดขอให้นึกถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาจะได้จะสำเร็จที่สำคัญและเร่งด่วนที่ท่านรู้อยู่แก่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดขอให้นึกถึงเรื่อง นั้นนึกถึงเหตุการณ์นึกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยและขอให้อำวยพรแก่ท่านช่วตัวท่านเองโดยอาศัยพลังบุญอาศัยกำลังสมาธิจิตกำลังเมตตาจิตที่ท่านกำลังแผล ด้วยความปรารถนาดีต่อตัวตนเองให้ได้สำเร็จสิ่งนั้นโดยชอบทาได้สำเร็จสิ่งนี้โดยเร็วโดยสมบูรณ์และโดย ย, ยั่งยืนและขอให้ความสำเร็จนี้จงเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เป็นที่มาของความสำเร็จนั้นโดยตรงโดยอ้อมด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะได้แก่เขาถ้าโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างใดก็าตามขอให้ความสำเร็จของข้าพเจ้าจงทำให้ข้าพเจ้า มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมีพลังที่จะเกื้อกูลต่อผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยขอให้ท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาให้กับบุคคลอื่นโดยในของการลำดับ โดยทิดคือผู้ที่อยู่ในทิดเบื้องหน้าของข้าพเจ้า <S <S ได้แก่บีดามานดามานดาของข้าพเจ้าผู้มีหน้าตาอย่างนี้มีบุคลิกลักษณะอย่างนี้อยู่ที่นั่นที่นี้มีปกติชีวิตอย่างนี้ มีปัญหาชีวิตยอย่างนี้มีความต้องการเร่งด่วนอย่างนี้และเป็นผู้ที่ควรเป็นอย่างนี้ควรได้อย่างนี้ควรพ้นจากปัญหาอย่างนี้ที่ข้าพเจ้าเห็นแต่ท่านไม่เห็นที่ข้าพเจ้ารู้แต่ท่านไม่รู้ ขอให้มารดาของข้าพเจ้าผู้มีชื่อและนามสกุลอย่างนี้ทรงพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนภัยพิบัติขัดข้องในเรื่องนี้ที่ข้าพเจ้าก็รู้อยู่ท่านก็รู้อยู่แมะคนอื่นก็รู้อยู่ขอให้ท่านจงพ้นจากความ ความเดือดร้อนอันนี้ให้พ้นโดยเร็วเถิดให้พ้นโดยสิ้นเชิงให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนี้อ ย, อย่างยั่งยืนเถิดแม้ปัญหา อันที่ข้าพเจ้าเห็นอันที่หมู่บันฑิตเห็นก็ขอให้ท่านจงได้รู้ถึงปัญหาข้อวิบัติขัดข้องอันนั้นและรังเกียจปรารถนาพยายามกระทำให้พ้นจากชีวิตจิตใจของท่าน ขอให้ท่านจงพ้นจากข้อวิบัติขัดข้องอ น, นัตต์จงพ้นปัหลุดไปจากชีวิตท่านชีวิตท่านก็หลุดไปจากปัหานั้นข้าพระเจ้าขอแผ่ความปรารถนาดีด้วยความรู้สึกที่แท้จริงด้วยความปรารถนาดีที่แท้จริง ความต้องการความสําเร็จความผาสุกในชีวิตจิตใจของท่านที่ท่านปรารถนาแสวงหาขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จแก่ท่านโดยถูกต้องชอบธรรมและจงเป็นความสําเร็จที่นําความสุขความดีงามมาให้ท่าน พร้อมทั้งบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องแม้สิ่งที่ท่านควรได้ควรประสบความสำเร็จควรสแสวงหาขอให้ท่านมองเห็นให้ท่านจำนงหวังปรารถนาในสิ่งนี้ขอให้ท่านได้สิ่งนี้ ความสำเร็จในสิ่งนี้ด้วยจงสำเร็จโดยรวดเร็วจงสำเร็จโดยครบถว้วนจงสำเร็จอย่างยั่งยืนเถิดแม้บิดาของข้าพเจ้าผู้มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ ทำนักอยู่ที่นั่นที่นี่มีชื่อและนามสกุลอย่างนี้มีปัญหาชีวิตจิตใจความทุกข์ความเดือดร้อนโดยประการนี้คือ ให้ความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ที่เป็นอย่างสำคัญที่สุดเร่งด่วนที่สุดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างหรือสามอย่างก็ตามขอให้ท่านผู้เป็นบุพการีของข้าพเจ้านี้จงได้รับพลังเมตตาได้รับ ส่วนกุศลของข้าพเจ้าและด้วยอำนาจความดีของตัวท่านเองอำนาจกุศลวิบากของท่านประกอบกันขอให้ภัยที่บัตรนี้จงทุเล่าเบาบางตั้งแต่ ท่านมีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นมีความกระฉับกระเฉงเช่มชื่นเห็นทางออกพ้นได้รอได้กับความทุก ความเดือดร้อนที่จะพึงหายไปแม้จะโดยเร็วหรือโดยช้าก็ตามขอให้ภาวะทางศิษอันดีจงสำเร็จแก่ท่านเป็นนิจขอให้อุปสรรคข้อขัดข้อ เช่นผ้าป่วยก็ขอให้ขวัญและกำลังใจสติสัมปชัญญะมั่นคงอยู่ไม่ถูกโรคาพาทย่ำดีจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ข้พาพเจ้าขอแผ่ขออธิษฐานให้ท่านได้เป็นข้อที่หนึ่ง ่านได้รับทุกขเวทนาเพราะความเจ็บป่วยก็ขอให้ทุกขเวทนาของท่านเป็นสิ่งที่ท่านกดกลั้นได้เหมือนไม่ได้ป่วยเองขอให้ทุกขเวทนาทุเลาเบาบางและทุกขเวทนาจงหายไปจงระงับไป ว่าโรคยังอยู่บาดแผลยังอยู่ขอให้บาดแผลของท่านจงหายไปด้วยความเจ็บป่วยที่ปรากฏแก่ท่านตรงอวัยวะนี้บาดแผลที่เกิดขึ้นจงตรงอวัยวะนี้ตรงอวัยวะนั้นจงหายไปโดยเร็วไม่กำเริ หายไปโดยเร็วเถิดและขอให้เชื้อโรคที่อยู่ในตัวของท่านจงหายไปจากร่างกายและจิตใจของท่านโดยเร็วโดยเด็ดขาดและไม่กลับเป็นอีกข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันท่านบำบัดท่านจากโรคขอให้หายจากโรคหากท่านมีปัญหาอย่างอื่นขอให้แผ่เมตตาโดยปราลกปัญหาเร่งด่วนนั้นขึ้นมาแผ่อย่างละเอียดถี่ท้วนเต็มไปด้วยความปรารถนาดี เต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นเต็มไปด้วยความสงบนิ่งเต็มไปด้วยความไม่ระไม่ยึดถือด้วยอำนาจของปัญหาและคิตเต็มไปด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ส่งจิตไปถึงท่านส่งจิตไปยังตำแหน่งของปัญหา อ น, นาบริเวณของปัญหาแม้ผู้ที่เป็นบิดามารดาของข้าพเจ้าซึ่งเป็นบิดาเลี้ยงมารดาเลี้ยงหรือผู้ที่มีคุณประหนึ่งบิดามารดา หรือเป็นอุปชาอาจารย์หรือบิดามานดาในภพก่อนชาติก่อนถอยไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดขอให้ท่านได้รับทราบเึ่งเมตตาจิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาแผ่บุญและแผ่พลังให้แก่ท่าน โดยประการทั้งสองนะั้นให้ท่านจงพ้นจากสิ่งที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่พึงปรานาหรือเคราะห์กรรมอุปรสรรคข้อกัดข้องโลกธรรมฝ่ายวิบัติที่ท่านรู้อยู่ทราบอยู่ขอให้ท่านเมื่อ อนุโมทนารับทราบกุศลกิจของขปเจ้ า, จาเมตตาของขปเจ้ า, จาที่แผ่ให้ขอให้ท่านจงพน้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นเถิดทงพ้นจากความวิบัติขัดข้องนั้นเถิน ให้แผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องบนคือปูชนียบุคคลสมณะชีพหลาที่น่าเลื่อมใสเป็นที่เลื่อมใสของท่านมีพระพุทธเจ้าพระธรรมแม้ไม่มีตัวตน กระอรียสงฆ์ในอดีตทั้งหมดและกระหรือโปรเจนยะบุคคลที่ท่านเคารพนับถือจะเป็นผู้มีชีวิตยอยู่หรือล่วงลับไปแล้วกว็าตามให้ระลึกถึงลำดับรายละเอียดให้มากเท่าที่ท่านมี มีเวลามากก็ให้แผ่ให้ละเอียดโดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาว่าจะต้องแผ่ให้กับคนนี้ด้วยเวลาเพียงเท่านั้นเท่านี้ขอให้ความรู้สึกออกไปตามข้อมูลความรับรู้ ร, รับทราบและความปรารถนาจะให้ของท่านเป็นสําคัญ ผู้ที่อยู่ในทิศเบื้องบนนั้นแม้แต่พระราชาผู้ทรงธรรมก็สรงเคาะอยู่ในทิศเบื้องบนการแผ่เมตตาให้กับผู้มีคุณสูงมีธรรมะสูงจะมีผลสะท้อนกลับแรง เช่นเดียวกับบุคคลผู้ไปด่าว่ากล่าวร้ายลักขโมยช่อโกงเอารัดเอาเปรียบสร้างความเดือดร้อนกายใจแก่ผู้ที่มีคุณสูงย่อมมีผลสะท้อนกลับในทางบาปมากเช่นเดียวกัน การแผ่เมตตาให้คนดีจึงเหมือนเป็นการปลุกเสกตัวเองในรูปหนึ่งเหมือนกันเหมือนเราทำตัวเองให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้ที่มีบุญวาสนามากย่อมมีอานิสงส์ตอบกลับมาก นี้ให้ปลารบด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีใช่ด้วยความละโมบปลารบเพื่อให้เราไม่ดูเบากับการแผ่เมตตาจิตปลารบให้จิตใจของเรากระตือรือร้นกระฉับกระเฉงและจริงใจตต่หนึ่งว่าความเรากําลังพูดให้เขาฟังกับหูสัมแดงให้เขาเห็นกับตาอยู่ฉะนั้นทีเดียว ไปถึงบุคคลที่อยู่ทางทิศเบื้องอื่นที่เหลือก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านแผ้ด้วยตัวของท่านเองท่านอาจจะแพ้โดยนัยยะประการ อ, อื่นๆอีกก็ได้ ในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านได้แผ่ส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้แผ่เพื่อสัมดงความเคารพ บ, บูชาสัมดงความนับถือสัมดงความขอบคุณเป็นส่วน คนหรือสัตว์เหล่าใดที่อยู่ณบริเวณนี้จะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์และอยู่นอกบริเวณนี้ั่วไปทั้งหมดตลอดโลกทั้งโลกตลอดภูมิทั้งหมดเราขอแผ่เมตตาความปรารถนาดีข้าพเจ้าต้องการความสุง ไม่ต้องการความทุกข์ข้าพเจ้าต้องการสิ่งใดและไม่ต้องการสิ่งใดขอความสำเร็จอันนี้อย่างนี้ก็จงสำเร็จแก่ท่านทั้งปวงเหล่านั้นข้าพเจ้าขอแผ่บุญแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความเคารพด้วยความขอบคุณ ด้วยความนับถือบูชาและท่านทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นผู้อยู่ในฐานะสำต้อยขวาข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่ข้าพเจ้าพึงเกื้อกูลหรือได้เกื้อกูลมาข้าพเจ้าขอแผ่บุญแผ่เมตตาจิต แก่ท่านสำแดงน้ำใจแก่ท่านขอให้บุญและเมตตาจิตของขระพาเจ้าจงได้แก่ท่านที่อยู่ณบริเวณนี้และอยู่นอกบริเวณนี้ขยายออกไปจนทั่วทั้งโลกทั่วไปทั้งโลกทุกพบทุกผูกก้จงอนุโมทนาสาธุ ก, การ ในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าอุดคิดให้ด้วยเมตตาภาวนานี้ขอให้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ท่านได้ที่เกิดขึ้นกับท่านหรือจะเกิดขึ้นกับท่านจงสูญสลายหายไปโดยฉับกันและขอให้อิทธาโรมาน่าปรารถนา ลาบยศสันเรินและความสุขความสำเร็จทุกอย่างประโยชน์ทั้งในภพนี้ภพหน้าประโยชน์สูงสุดจงได้แก่ท่านสำเร็จแก่ท่านโดยทั่วไปทั้งหมดเถิดและขอให้ข้าพเจ้าเมื่อออกจากสมาธิอิตเดินทาง กลับไปสู่เคหสถานบ้านเรือนจงเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยด้วยความเข่มชื่นด้วยฐานะที่เป็นอิทารมแกผู้ที่เกี่ยวข้องพบเห็นแกทุกคนในครอบครัวแกทั้งเทวดาและมนุษย์เถิดอีทาง เมียาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอปิดประชุมสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้